Thank you.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 วิธีการเอาไว้แล้วนะที่ง่ายๆคือทานศีลภาวนาการให้ทานก็ดีการรักษาศีลก็ดีเนี่ยจุดมุ่งหมายคือเป็นการฝึกจิตชำระใจใรายเหุที่ว่าการให้ทานรักษาศีลเนี่ยเป็นบุญเนี่ยก็เพราะว่ามันมันชำระจิตใจนะมันฝึกให้ใจเนี่ย มีโลคปวดหลงน้อยลงนะมีความเพ่งกับตัวน้อยลงปล่อยวางมากขึ้นใจของเราถ้าไม่ฝึกมันก็สกปรกนะแต่ถ้าากว่าเราได้ฝึกด้วยทานศีลมันก็จะสะอาดขึ้นชื่เขาเรียกว่าทานละศีลเป็นบุญก็เพราะเหตุ น, นี้แหละคำว่าบุญเนี่ยแปลว่าความดีก็ได้นะหรือแปลว่าสิ่งที่ชําระใจให้สะอาดก็ได้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 เป็นโชคจะได้มีอายุวันนะสุขพัะละจะได้ประสบความสำเร็จเนี่ยอยากได้อย่างนี้แหละก็เลยไปทำบุญเยอะๆเนี่ยอันนี้เปรียบว่าทำบุญมันก็ทำแต้มเอาแต้มไปแลกถ้าได้แต้มสูงๆก็แลกได้เยอะหน่อยหรือเปรี่ยนมันก็ว่าทำบุญเยอะๆจะได้มีเงินฝากในธนาคารมากมาก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 แล้วเกิดขึ้นทันทีเลยนะเป็นอนิสงส์ที่เกิดขึ้นทันทีไม่ต้องรอว่าอ่ารถถูกรตเตอรี่เมื่อไหร่ไม่ต้องรอว่าวันหน้าจะได้ร่ำรวยอันนี้พระเจ้าถึงปัดาศว่าเนี่ยนะเพียงแค่จเจเลยแม่ตาจิตเนี่ยมันก็เท่ากับว่าได้ทําบุญด้วยอาหารถึงสามร้อยหม้อการที่เรามาสวดมนต์เนี่ยนะ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 ความช่วยที่สุขสบายซื้อยาไปให้เขาเนี่ยหรือว่าเอาเงินไปถวายพระเพื่อสืบต่อพระศาสนาพอนึกถึงแล้วใจมันสบายเนี่ยอันนี้เรารู้ว่าจาคานุสติเนี่ยทำบุญเนี่ยเ ร, เราลรึกถึงไว้อดีนะมันทำให้จิตใจเกิดปิติภาโมท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 มันขลังจริงไหมมันมีอนุภาพจริงหรือเปล่าหลวงพ่อเทียนก็ไม่ตอบตรงๆแต่ถามว่าคนทําเครื่องรางเนี่ยตายหรือเปล่าะก็ได้คําตอบว่าคนทําเครื่องรางขลังตายไปแล้วนะคนที่ได้เครื่องรางของขลังมาก็ตายไปแล้วนะที่เขาได้มาเนี่ยก็เป็นมรดกตกทอดมาหลายมาหลายรุ่นละหลวงพ่อเทียนก็บอกว่าเนี่ยขณะคนทําเครื่องรางยังตายเลย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 ที่จริงไม่ต้องทำอะไรมากก็แค่ดูนะเวลาเวลามันแสดงตัวมาหลวงพ่อมเขียนในตอนที่ป่วยนะครั้งแรกเนะี่ยที่รักษาตัวที่โรงพยาบาลเมื่อปีสีเก้าเนี่ยมัท่านบอกอุ่สบายนะอะไรๆแล้วก็มีคนทำให้หมดเลยจีวรก็มีคนซักให้นะอาหารก็มีคนนำมาถวายถึงเตียงท้าบอกท่านก็แค่ดูนะดูดูดูไตรักเนะี่ย